มามฟังวันนี้เรามาฝึกปฏิบัติธรรมในการเจริญวิปัสสนาคือถ้าไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยไม่เคยฝึกไม่เคยทำไม่รู้ว่าวิปัสสนามันคืออะไรวันนี้แหละถ้าเราลงมือทำลงมือฝึ ก, กเราจะรู้ขึ้นมาจะเริ่มจากเบสิคพื้นฐานที่สุดเลย นี่คือรายการธรมรมบรุณในช่วงของจิตตะวิเวเป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเรามาฝึกพรามาทำไปด้วยกันเริ่มจากเบสิกพื้นฐานวิธีการที่เราจะทำวิปัสสนานั้นเราเริ่มจากการที่มีสมถะมาก่อนสมถะและวิปัสสนาต้องไปด้วยกัน นีเป็นเอพิโซดที่สองในซีรีส์ของสมถะและวิปัสสนาในตอนที่แล้วกัปจ้าวดาอธิบายถึงวิธีการทำสมถะคือการทำจิตให้สงบอย่างพื้นฐานคราวนี้จะมาอธิบายเรื่องของวิปัสสนาที่จะต้องมาด้วยกันเริ่มจากสมถะนั้นหมายถึงความที่จิตให้มีความสงบ ให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความคิดนึกอะไรเลยแต่หมายถึงจิตนั้นมีสติรักษาไว้มีพรรษาใดๆไม่เผลอมีเปลินไปตามพรรษานั้นเห็นภาพอยู่มีความคิดนึกอยู่แต่ไม่เผลอไม่เปลินตามไปส่วนวิปัสสนานั้น หมายถึงการที่เราเห็นตามความเป็นจริงเรามาเริ่มกันด้วยให้มีสติอยู่กับลมหายใจทำเลยตัวฝังเราหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่แล้วหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คำว่ารู้ในภาษาไทยมาจากศัพท์ในภาษาบาลีได้หลายคำ แต่จะมีคําว่ารู้อยู่ตรงไหนให้เราฟังนั้นเข้าให้ถึงด้วยเข้าใจให้ถูกด้วยบาที่ผู้พูดว่ารู้ว่ารู้นั้นผูพ้พูดนั้นเขาหมายถึงอะไรเริ่มจากเวทนากคนนี้ถ้าเรามีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างความรู้สึกนั้นน่ะมาจากสัพว่าเวทนาหรือถ้าเรามีความหมายรู้ หมายรู้ว่าเออนี่พูดภาษาไทยอั น, นี้สีแดงสีเขียวความหมายรู้นั้นคือสัญญานะรูปอันที่สองนี่ไม่เหมือนกับอันแรกอันแรกคือเวทนาอันที่สองคือสัญญาแเราจะมาบอกว่ามีความรู้ความรู้ความรู้นี่ท่นหมายถึงอะไรวิ ช, ชาหรือเปล่าหรือว่าปริยัตปริยัตนี่คุณก็ต้องเรียนก็ต้องศึกษา วิชาที่คุณก็ททากับปฏิบัติก็เกิดมาเป็นความรู้ได้หรือผู้รู้อย่างนี้ผู้รู้ผู้รู้เผู้รู้นี่มาจากอะไรล่ะแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นแล่ำก็เป็นพุทโธไงผู้รู้ในที่นี้ก็คือพุทโธแต่ถ้าจะหมายเอาว่าคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้ ในที่นี้ก็ต้องมาจากคำว่วิญญาณหรือที่บอกคุณรู้คุณรู้เนี่ยคุณหมายถึงว่าวิญญาณหรือพุโทโธกันแน่มันก็คนละอย่างกันอีกหรือว่าการที่เรามีสตินี่เขาก็แปลได้ว่าเป็นการระลึกรู้ ร, รู้อยู่เป็น ร, รูปแบบระลึกรู้ระลึก ร, รู้นี่ก็คือเป็นสติไงก็คนละอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังคําศัพท์ใครใดพูด ว่าเาให้รู้นะให้รู้นะกำหนดรู้นะอันนี้มันหมายถึงอะไรในที่นี้ทูกฟังเราให้มีความรัดกุมราบคอบไม่ละดวมโดยบทพยัญชนะอันประผูมีปราปากประกาศไวอย่างดีแล้วคำของท่านเนี่ยก่อนเป็นยังไงหมายถึงที่พูดไปแล้วหลังคือที่พูดตามต่อมา ก่อนพูดไว้พรรษาหนึ่งพรรษาสองา้นไหวยังไงพรรษา 20, 30, 50มไม่ถึงนะพระพุทธเจ้าอยู่45า่าพรรษาแต่นับรวมตอนที่บำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยก็ถึงอยู่ตั้งแต่ออกบวชในห้าสพรรษาพูดไว้ก็ไม่ขัดกับสิ่งที่พูดไว้พรรษาแรกนี่นะคำก่อนคำหลังนี่มีความรัดกลุ่ม คำที่พูดใหม่ไม่ขัดกับคำก่อนคำที่พูดใหม่ก็ลงรับกันกับคำที่พูดไว้เดิมไว้เก่าวได้การกําหนดบทเปลี่ยนชนะที่มีความรัดกุมรอบขอบนี้เป็นวิสัยของพระผู้มีพระภาคคือพระกวาพระกว่าหมายถึงผู้จําแนกแจกธรรมเอาสิ่งที่เป็นความรู้เป็นวิชา ที่อยู่ในจิตใจของท่านผ่านการประมวลผลทางสมองกำหนดบทเรียนชนะพูดออกมาเป็นธรรมะให้เราได้ศึกษาเป็นปริยัติเราเอาสิ่งที่เป็นปริยัตินั้นมาปฏิบัติมันก็ให้เกิดผลเข้าสู่จิตใจของเราเป็นความรู้ชนิดที่ไม่ใช่ปริยัดละเป็นความรู้ที่เป็นวิจารเป็นพุทโทธขึ้นมา ผ่านทางการรับรู้คือวิญญาณให้เกิดความหมายรู้ให้เกิดความรู้สึกคือสัญญากระเวชนาใ น, ในใจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือกําหนดรู้คือรลึกรู้คือมีสตินั่นเองตัมบูฟังเรามีสติอยู่กับลม แน่นอนว่าในขณะที่เรามีสติยุกลราหายใจนั้นเราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่นที่แตำแบ่งเดียวไม่ต้องบังคับลมให้มันเร็ว ม, มันช้าสั้นยาวทีห่างแรงค่อยร้อนเย็นหรืออย่างไรอย่างไรให้เป็นธรรมชาติเรามาฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกการหายใจ หรือไม่ได้ฝึกโยคะแต่มาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเราให้ใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วร่างกายก็ไม่หลงเครงกำหนดไว้เราจะมีการรับรู้สิ่งต่างๆแน่นอนกำหนดไว้อยู่กับลมนะอยู่มีสติอยู่กับลมเราจะมีการรับรู้ยกตัวอย่างเช่นเสียงของคาราบจาวนี้ เข้าสู่โสตประสาทของธรรมุฟังธรรมุฟังก็มีการรับรู้เสียงได้เรื่อาจจะเป็นเสียงคนข้างบ้านเสียงสัตว์เลี้ยงเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็ตามที่มันผ่านมาเรารับรู้ด้วยได้นั่นคือวิญญาณมีการรับรู้เสียงผ่านทางหูแต่สติก็ตั้งไว้นะสติก็อยู่กับลม สติคือการระลึกได้ลมหายใจไม่ใช่สติลมหายใจคือลมหายใจเป็นธาตุลมเป็นกายสติคือการระลึกได้ของอะไรของจิตที่มันทำไมแต่ที่มันจะเปลินไปตามเสียงผ่านทางหูความคิดนึกคือธรรมารมผ่านทางใจโ อ, โอ้โอ้โอ้ไม่ไปไมาอยู่กับลมอยู่กับลมแล้ว ไม่ใช่ไม่รับรู้ความคิดไม่ใช่ไม่รับรู้เสียงรับรู้อยู่แต่ไม่เปลินตามไปนี่มันจะเริ่มแยกออกจากกันจิตของเราที่มักจญไหลไปตามอารมณ์เปลิไปตามอารมณ์มันจะแยกออกจากกันด้วยกำลังของสติเสาเกินเสาหลักเราตั้งเอาไว้หกสัดหกชนิดด้วยเชือกเหนียวไม่ขาดง่ายเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้ม นั่นคือสติที่มีความมั่นคงสัตว์หชนิดจะเดินจะวิ่งจะบินไปได้แก่นกสุนักบ้านสุนักจิงจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงมีที่หากินมีรังมีที่อยู่คนละอย่างเหมือนไม่มาอยู่รวมกันหรอกมันต้องแยกกันไปจระเข้ที่ไหนจะบินขึ้นฟ้าหรือนกที่ไหนมันจะนอนใต้น้ำเหมือนจระเข้ มันก็เลยอย่างลิ้นที่ไหนเล่ามันจะไปรับรู้แสงได้รับรู้ภาพได้คุณลองเอาตาไปจุ่มในอาหารด้วยโอ้เอ๋มกระแสดนั่นแหละเข็มเปรี้ยวอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตามันก็เห็นแต่ภาพนกมันก็บินขึ้นฟ้าจระเข้มก็อยู่ในน้ําลิ้นมันก็รับรสได้เท่านั้นมันก็เลยอย่างกันไม่สวยโคจดและวิสัยของกันและกันเข้าสู่จิตใจของเรา ผ่านทางวิญญาณวิญญาณเป็นตัวเชื่อมนามรูปใจกายวิญญาณเป็นตัวเชื่อมกายใจรูปนามวิญญาณมันสําคัญวิญญาณเนี่นจึงเป็นเครื่องมือของจิตที่จะให้เผลอเปลินไปตามสิ่งต่างๆที่เรากําลังทําความเข้าใจในเรื่องวิปัสสนานะทุกอ่างนะให้ตั้งสติว่าอยู่ลมไม่ดีไม่ต้องตามลม หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดารราอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือในโพรงจมูกใครควรพิจารณาตามไปหรือสำหรับบางคนที่ว่าจะลมให้ใจมันอ่อนมันเบามากเลยเราไม่ต้องไปบังคับให้มันแรงขึ้นมาอีกเหมือนเด็กน้อยเขาหลับไปแล้วนี่เด็กเพิ่งแรกเกิดมันหลับอยู่นี่อย่าไปปลุกมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะร้องไห้กวนเราอีก ลัไปแล้วใหลับไปเล ย, ล เ, ลยเหมือนกันจิตของเราถ้ามันสงบลงแล้วลมหายใจมันหายไปอย่าไปกลัวมันขึ้นมาอีกไม่ต้องไปหายใจแรงๆอีกให้มีสติอยู่นะที่ตำแหน่งเดิมให้ตั้งจิตไว้นะที่เดิมลมหายใจอย่างที่ว่ามันไม่ใช่สติสติก็เป็นอย่างหนึ่งลมหายใจก็เป็นอย่างหนึ่งการมาระลึกถึงลมต่างหากนั่นคือสติแต่ลมหายไปสติมีไหม ก็มันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ให้จิตของเราเปลิอเปลินไปตามสิ่งต่างๆแยกแยกเอาจากกันได้จิตของเรานั้นมันจะใช้วิญญาณเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เลอเปลินไปตามสิ่งต่างๆยังไงเพราะว่าขันห้านฟังรูปเมตนาสัญญาสังขารและวิญญาณ5อย่างเนี้ย มีอยู่ในตัวเราตัวเราประกอบด้วยกัน5ขันห้านั้นประกอบขึ้นเป็นตัวเราเรามีความยึดถือขึ้นเราจึงรู้สึกว่านี้เป็นกายของเรานี้เป็นตัวของเราแต่ขอโทษทีเธอโอเยว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนกันได้มันเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เลยหัวใจคุณไม่ดีคุณก็หัวใจคุณหนึ่งที่มันเข้าก็หน้ามันใส่ลงไปตัดสายนี้ต่อนี้มันก็เปลี่ยนหัวใจกันได้ เปลี่ยนตับได้เปลี่ยนไตได้เปลี่ยนได้หมดะแล้วแตว่าของเรามันเถื่อนไหนอ ะ, อ, ะอันที่มันหายไปแล้วหรือว่าของคนอื่นนั้นก็มาอยู่ในตัวเราแล้วมันจะไม่ฟังคำสั่งเราเหรอหรือต้องทำยังไงมันถึงจะฟังคำสั่งเรามันเป็นของมันตามปกติของโลกอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่านี้เป็นตัวเราของเราต่างหากในสิ่งนี้ให้ความรู้สึกความเข้าใจตรงนี้ มันผ่านกระบวนการคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่ถ้าบางคนจะเข้าใจว่าวิญญาณนี่หมายถึงหือห้อือเที่ยวล่องลอยไปเที่ยวไปเกิดจุดนี่แล้วก็ไปจุดนั้นเกิดที่นั่นแล้วก็ไปที่นี่อันนี้ไม่ถูกวิญญาณในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงการรับรู้หรือการรู้แจง้ง การที่ธรรมบุฟังได้ยินเสียงของขเจ้าได้นั่นแหละคือมีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วในใจของธรรมบุฟังเป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูหรือการที่ทรรมฟังมีความคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างเรื่องงานบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเมืองเรื่องเงินทองรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้นั่นก็มีวิญญาณละ เป็นมโนวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจกับธรรมารมคือความคิดต่างๆที่มากระทบมีวิญญาณเกิดขึ้นมีความรู้สึกมีความหมายรู้เกิดขึ้นตามต่อมาในกายก้อนนี้ที่เป็นรูปมนุษย์คนเราคนหนึ่งจะเป็นคนขึ้นมาได้จริงๆคือมันต้องมีกายใจต้องมีนามรูปกายคือส่วนไหนก็ร่างกายเราเนี่แหละที่จับต้องกันได้นี่ เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคุณมีแขนมีขาเนี่ยคือกายใจมันคือตรงไหนคือส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดส่วนที่เป็นน้ำนั่นก็คืออยู่ในช่องทางใจจะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนึกเป็นอารมณ์เป็นความหมายรู้นั่นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นน้ำอยู่ในช่องทางใจ เวลาที่เราจะอ้างอิงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นี่นะดูฟังนะเราต้องใช้อายตนะคือเราจะพูดกันเข้าใจได้เราต้องใช้อย า, อาอยาาาตย น, านะนะถ้าู่้ฟังจะได้ยินเสียงของขเจ้าได้ต้องใช้อยายตนะคือหูขบะชานี่ก็ต้องเปล่งเสียงออกไปหรือถ้าผฟังจะรู้ไอ้อากาศมันร้อนหรือมันเย็นอุณหาภูมิเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องใช้กายเป็น ตัวอ้างอิงถึงเห็นมันสว่างหรือมันมืดหนิเพื่อต้องใช้ตาเป็นตัวอ้างอิงถึงมล้วมันดังหรือมันค่อยต้องใช้หูแล้วมันหวานมะนาวหรือหวานมะม่วงก็ือต้องใช้ลิ้นต้องใช้อายตนาหมดอ่ะในการที่จะอ้างอิงถึงสิ่งใดก็ตามที่เป็นรูปหรือเป็นนามรูปก็คือใช้กายคือได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกาย ตาเป็นนามก็คือใช้ใจใจจึงเป็นที่อ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ธรรมารม์เป็นอยนายตนะภายนอกใจเป็นอยนายตนะภายในรับรู้กันมารูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณถ้าอย่างนี้อยู่ในตัวเราเจ้าตูญญาณมันสาคัญตรงไหนพระพุทธเจ้าเรียบไว้กับ เม็ดหรือเยื่อหรือสิ่งที่มันเอาไปปลูกแล้วมันจะขึ้นได้คือต้นไม้เนี่ยมันจะมีเม็ดที่ยังไม่ตายหรือบางทีคุณใช้จากหนอใช้จากตาพ่อขึ้นมาคุณก็ต้องเอาไปลงในดินหรือไปในวัสดุปลูกอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งในที่นี้ว่าเป็นดินก็แล้วกันแล้วก็ต้องรดน้ำลงไปน้ำใส่ลงไป กับเมล็ดพืช อ, อยู่ในดินเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ถูกไหมท่านเปรียบไอ้เจ้เมล็ดหรือเชื้องอกที่จะเกิดขึ้นได้ของต้นไม้ไว้กับวิญญาณเอาอีกสีอย่างที่เหลือได้แก่รูปเวทนาสัญญาและสังขารมาเป็นดินน้ำที่รดลงไปน่นคือนันทิราคะ ความกำเนิดด้วยอำนาจความเปลินต้นไม้ก็โต ง, งอกขึ้นมาได้หมายถึงวิญญาณพอมันไปเข้าลงในสัญญาเวทนาหรือสังขารในที่นี้ก็คือธรรมารมไงคือการรับรู้ของคุณเนี่ยเพลินไปตามธรรมารมไหนๆช่องทางใจแล้วมเมล็ดพืชมันลงดินแล้วมีน้ำรดลงไปด้วยที่มันเพลินไปเนี่ยในคือนันที่ราค้าแล้วมันก็โต ง, งอกงามเลย มันก็จะเดี๋ยวก็คิดรู้เรื่องอตินาคตคนนั่นคนนี่คนโน้อนอา่าวฟูงซาละฟูงซาละจิตไม่สงบละไปไหนเนี่ไปตามธรรมารมคือเวทนาสัญญาสังขารทำไมไปได้เอาก็ต้นไม้ทำไมมันโตได้กูมันมีมเมล็ดมาลงในดินรดน้ำลงไปเหมือนกับโตเหมือนกันทำไมเราเพลินได้ผ่านทางวิญญาณวิญญาณมันไปแล้ว ตามธรรมารมณในช่องทางใจเวทนาสัญญาสังขารหรือถ้าเสียงนะมันก็เป็นนรูปไงวิญญาณก็เข้าลงในรูปได้ได้ยินเสียงได้กลิ่นอาหารได้ลิมรสต่างๆหรือมันเพลินไปได้แั่นก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันลงดินแล้ววิญญาณเนี่ยไปเกาะรูปแล้วรูป เวทนาสัญญาและสังขารจึงเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือว่าวิญญาณทีติวิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมรูปนามกายใจจึงเป็นตัวที่จิตจะใช้เป็นเครื่องมือให้เผลอเปลนไปตามรูปได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและผลประภผลปรพภะนี่หมายถึงสัมผัส ต, ต่างๆจะยาบจะเย็นจะร้อนจะแข็งจะละเอียดจะนุ่มนวลหรือไม่ผลประภะ สิ่งเหล่านี้คือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นอิยตนะภายนอกต่างกายตัวกายเองนั้นเป็นอิจตนะภายในได้แก่กายลิ้นจมูกหูตาหรือที่เราจะมักเรียกกันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนเหล่านี้เป็นอิยตนะภายในกายใจนี่ก็จึงอ้างอิงถึงข้างในรูปน้ำ เขจึงอ้างอิงถึงข้างนอกคือเป็นอายตนะปลายนอกอายตนะปายในที่มีการเชื่อมกันอยู่ด้วยวิญญาณจิตจะใช้วิญญาณคือการรับรู้นี่แหละมันเข้าไปเพลินในการรับรู้นี่ก่อนเลยเพลินแล้วยึดถือเลยจิตนี่มันอยู่ได้ทุกที่ตัม ง, ง่วังอยู่บนภูเขาก็ได้อยู่ที่ต้นมะม่วงก็ได้อยู่ในห้องน้ำก็ได้ อยู่ในการถนี้ก็ไร้ทำไมมันถึงไปได้ผ่านทางการรับรู้ไงผ่านทางการรับรู้คือวิญญาณมีการปรุงแต่งขึ้นไปเลยจะไปอยู่ผู้เขาอยู่ดาวดวงไหนแค่คิดนึกตรีตัดึกไปตามนี่คือรรมารมใช่ปะ่ะแต่เมว่าคุณรับรู้ธรรมารมนี่วิญญาณไงที่ใช้วิญญาณเป็นคุลเดิมือในการที่จะไปตามสิ่งต่างๆไปแล้วไงอะ ต้นไมมันเติบโตขึ้นมามันก็รกรุงรังจิตของเรามันก็สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของอยตนาต่างๆเหล่านั้นภายนอกภายในเช่นตาเสียงนะเสียงที่มากระตบนี่ถ้าไม่ใช่เป็นเสียงเย็นๆนุ่มๆสบายๆกลายเป็นเสียงดนตรีหมอลำสำหรับคนที่ชอบเพลงรักหรือกลายเป็นเสียงเพลงลูกทุ่ง สำหรับคนที่ชอบดนตรีคลาสสิกอย่างนี้โอ้ยมันเข้ากันไม่ได้มันจะไม่พอใจสะดุงะะด้งละสะดุ้งละใครสะดุง้งจิตแล้วเนี่ยนะสะดุง้งทำไมสะดุง้งพานไปรับรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจสุข ก, ก็ด้วยนะทุกก็ด้วยก็จะสะดุ้งไปตามความสุขหรือความทุกข์ที่กระทบผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหนึ่งคือกายใจ หรือเป็นสิ่งที่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสพดวัธรรมรมหนึ่งคือรูปนามมากระทบแล้วเราสะดุ้งแล้วเนี่ยแหละมันไม่ดีคือมันเป็นทุกข์ทุกข์บางทีจนจะตายนู่นนะอยากจะตายแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยจะต้องตายหรือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันขอตายดีกว่าอนนี้มันจะมีความทุกข์สุดๆกันก็ตรงตายจิตเรามันสะดุ้งมันไม่ดี ไปตามวิญญาณที่มันไปก้าวลงในสิ่งต่างๆไม่ใช่ไม่ควรให้มันเป็นอย่างนั้นทุกปัญหาอะไรต่างๆมันเกิดมาจากกระบวนการนี้ในเรากำลังทาวิปัสสนาแนละดูฟังนะแยกแยะออกไงวิปัสสนาคือการแยกแยะวิปัสสนาคือการทาให้เห็นแจ้งขึ้นมาด้วยการแยกแยะออก เมือ น, นักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเข้าใจเรื่องสารอาหารเรื่องการทํางานของร่างกายอะไรต่างๆยังไงนี่เขาต้องแยกออกเขาถึงวิเคราะห์ไงแยกออกดูซิว่าในข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรบ้างคาร์โบไฮเดรตเท่านี้เปอร์เซ็นมีมินเนอรัลมีเกลือแร่มีวิตามินอะไรต่างๆไหมหรือในนมแก้วหนึ่งเหมือนกันเลยอีกแก้วหนึ่ง สีเดียวกันเอ๊ ه, แต่ว่าข้างในมันไม่เหมือนกันนะมีปริมาณโปรโตีนมีปริมาณไขมันแตกต่างกันโอ้ทำไมรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเอาอันนี้คุณต้องแยกแยะให้ได้เวลาเราจะแยกแยะตรงนี้แหละทุกฝังเราใช้สติสติก็เป็นการแยกแยะเริ่มต้นไห้เริ่มต้นให้ก่อนที่จะไปทำวิปัสสนาสติเป็นการแยกแยะตรงไหน ก็ตรงที่เรามารู้อยู่ลมหายใจแล้วความระลึกได้คือสติเกิดขึ้นแล้วสติล้มจิตอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วสตินั้นก็รักษาจิตรักษายัางไงไม่ให้จิตที่ว่ามักจะออกไปตามเสียงผ่านทางหูออกไปตามกลิ่นผ่านทางหูได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วออกไปตามกลิ่นก็ต้องผ่านทางจมูกนี่ โดยใช้วิญญาณเป็นเครื่องมือรับรู้แล้วจะเผลอตามไปแต่ด้วยการมีสติรักษาไว้นั่นคือเราไม่ลืมนมใช่ไหมพอมีสติรักษาไว้อาการที่จิตจะอาศัยวิญญาณแล้วเผลอเปลี่ยนไปตามสิ่งต่างๆภายนอกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นนามรูปกายใจความเปลินนั้นมันจะลดลงทำไมถึงลดลง เพราะสติมันตรงข้ามกับเลนอยู่แล้วที่ว่าคุณรดน้ําลงไปเป็นนันที่ราคะพอตั้งสติปุ๊บนันที่ราคะอ่อนกําลังลงทันทีมันตรงข้ามกันเหมือนวิ ช, ชาเนี่ยมันไม่ใช่อวิ ช, ชานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้สมาธิกนิวร์มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นิวร์ก็เรื่องการกัน้นความง่วงความฟุง้งซ่างความคิดพริยาบาทนั่นนี่ ถาจิตซึ่งมันรมางนั้เป็นสมาธิและไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะหรือถ้ายังมีไอ้พวกนี้อยู่นี่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้นะมันตรงข้ามกันมันก้นระย่างกันเหมือนความเพลินคือนันที่อันประกอบด้วยความกำนัดด้วยนะคือนันที่ราคามันอยู่ด้วยกันไม่ได้กับสติของทุกฝั่งแต่การรับรู้มันอยู่ด้วยกันได้ไงวิญญาณมีมันก็มีไป แต่พอเราตั้งสติไว้เราก็รับรู้เฉยๆรู้สักแต่ว่รู้คานี้ถึงเกิดขึ้นมารู้สักแต่ว่ารู้รู้แรกกับรู้หลังไม่เหมือนกันนะรู้สักแต่ว่ารู้นี่รู้คําแรกหมายถึงวิญญาณเราก็ได้ยินเสียงไงคุณก็รู้ดิเออรู้นี่คือวิมีวิญญาณแล้วคุณมีความคิดนึกอะความคิดนึกในหัวของตัวเองอ่ะรู้ไหมุณต้องรู้ดิ เพราะมันคือวิญญาณเป็นตัวรับรู้ธรรมะลมนั้นมีกลิ่นอะไรผ่านมาจะรู้ไม่ก็รู้สิเพราะว่ามีวิญญาณในจุลมมูคือคนะหรือว่าคาณะวิญญาณผ่านม่ต้องช่องทางนี้ต้องรู้รู้แรกนี้คือวิญญาณรู้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่ตามไปไม่เผลอไงไม่เผลอไม่เผลอนี้ด้วยอํานาจของอะไร ด้วยอำ น, นาของสติสติแปลว่าอะไ ร, าราะการระลึกรู้ให้รู้ที่สอนคือสตินะรู้สักแต่ว่ารู้คือได้ยินเสียงแล้วมีสติอยู่เห็นภาพแล้วมีสติอยู่มีสติอยู่ทาไมนะไม่เผลอไม่เปลน ไ, ไปตามสิ่งนั้นจะไม่เผลอได้อย่าลืมหลงจะไม่เผลอได้ให้มีสติอยู่กับลมจะไม่เปลนได้ให้ระลึกถึงหลม ระลึกถึงมีสติไม่ลืมอันนี้มาด้วยกันเล a ่อนไปเลยหลงลืมอันนี้มาด้วยกันพอเราเพิ่มกาลังของอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็ลดกําลังลงไปเราลดกําลังของอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็เพิ่มกําลังขึ้นมาในที่นี้เราใช้สมถะคำฟัง ในการลดกำลังของเจ้าราคะนันที่ราคะใช่ไหมลดกำลังของเจ้าราคะด้วยสมถะทำไมเอาสมถะเจริญแล้วจิตจ ะ, จะเจริญจิตเมื่อจเจริญแล้วจะละราคะได้ทันวะใช้สมถะกำจัดกำลังของเจ้านันที่ราคะส่วนของราคะ นั่นที่ราคะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าโง่โง่เุกฟังมันก็มีกําลังของมันมันก็มีส่วนประกอบของมันคือดีว่ากันมาทั้งหมดเนี่ก็เป็นการแยกแยะส่วนประกอบของยาที่เราจะกินเข้าไปเพื่อกําจัดเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเรายานี้คือสติยานี้คือสมาธิยานี้คือสมถวิปัสสนาต่างๆเนี่ยให้เกิดความเข้าใจในขันห้าของเรา เน้นมาที่พูดมาทั้งหมดนี่คือมรรคกันหนขันหน้าคือกองทุกมรรคแบบเริ่มจากสตินั้นเป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เดือของทุกเป็นอีกกองหนึ่งกองที่สกองที่หนึ่งกับกองที่4ี4นี่พูดไปแล้วส่วนกองที่สองคือเจ้าตันหาเอาวิชานี่คนที่ทําวิปัสสนาต้องเข้าใจว่าตันหาและอวิชานั้นมันทํางานด้วยกันมันต้องเป็นองค์ประกอบเป็นมา ปัญหามันก็คือความทะยานอยากและไม่เกิดความเผลอความเปลินและไม่เกิดความยึดถือเพราะมีตัญหาจึงมีความยึดถือคืออุปาทานความเปลินมันก็อยู่ด้วยกันตรงนั้นราคานี่ยิ่งลื่นเลยราคะนี่เหมือนทากาวไว้ก่อนแล้วยิ่งเอากาวอีกอันหนึ่งมาติดนี่ยิ่งแน่นเลยนั้นที่ราคาก็เผลอเปลินต่างกันไปเลยคือมันไม่ให้ติดกันไง แต่แม้จิตของเราเนี่ยไปติดกับสิ่งอือนอ่นผ่านทางวิญญาณจิตของเราที่มีอวิชชาจิตของเราที่มีตัณหาเหมือนไปเชื่อมมันไปติดกันกับสิ่งอือนอ่นๆได้ผ่านทางวิญญาณเป็นลักษณะของความเพลินออกไปเป็นลักษณะของความอยากออกไปเป็นลักษณะของความกำนังยินดีพอใจไปยังรวมถึงการปฏิเสธด้วยนะยังรวมถึงความไม่พอใจด้วยเป็นโทสะ ยัรูมถึงความให้เข้าใจด้วยเป็นโมหะนั้นที่ประกอบกับราคะก็ได้ประกอบกับโทสะก็ได้ประกอบกับโมหะก็ได้เป็นนั้นที่โทสะเป็นนั้นที่โมหะได้หมดอ่ะเพราะกิเลสครามเศร้าหมองไงเหมือนทากาวไว้ก่อนแล้วนั้นที่นี่ก็ก็อีกกาวอีกตัวหนึ่งเข้าไปติดนี่ยิ่งแน่นเลยจิตของเราก็เชื่อมกันกันกบสิ่งภายนอกเลยไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เรื่องฝ่าย น, านั้นฝ่ายนี้เรื่องอาหารในก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องอย่ามีเส้นหนวดแมลงสาบนะหรือเส้นผมหงอกของใครคนใดคนหนึ่งนะเออมันยึดติดไปหมดอะเรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนี้เรื่องนี้อย่าเป็นอย่างนั้นกายของเราสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบจิตมันไปยึดติดได้หมดตั้ฟังบานทางวิญญาณจิตที่ยังมี ตันหาออกมาในรูปของความเพลินออกมาในรูปของกิเลสความเศร้าหมองไปติดได้หมดและไอที่ไปติดไปติดเนี่ยถูกบังรอยต่อไว้ด้วยอวิชชาด้วยนะอวิชชาเป็นตัวปิดบังกำลังไม่ให้เห็นรอยต่อเว้เราไปติดตรงไหนก็มันก็สมูทกันไปมันก็ดีกันไปเหมือนกันก็นี่คือของฉันนี่แหละ จะบอกว่ากายไม่ใช่ของเราได้ไงก็รู้สึกอยู่แล้วในกายคือของเราก็นั่นไงคุณไม่เห็นรอยต่อเพราะมันบังอยู่ด้วยวิชาวิชาความไม่รู้ความไม่เข้าใจว่าจริงๆมันไม่ใช่อันเดียวกันว่าจริงๆมันแยกกันอยู่แยกกันอยู่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ที่สาคัญคือไอ้ที่เราไปยึดถือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันสะดุ้งได้ มันไม่ได้อยู่เฉยๆแต่มันมีความไม่เที่ยงตามเงื่อนไขาตามปัจจัยของมันตัวเราเองก็เหมือนกันนะตัวเราเองมันก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขาตามปัจจัยของมันเหล่าไอ้ที่ว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจตรงนี้ด้วยที่ถูกปิดบังปิดบังคือปิดบังความจริงข้อนี้ด้วยบังรอยต่อด้วยบางความจริงทั้งหลายด้วยเปิดออกมาเนี่โอ้โห เราจะเห็นเลยของเน่ามันเก็บอยู่นี้ของเหนียวของไม่ดีมันอยู่ตรงนี้เราจะทำวิปัสสนาเราต้องเข้าใจกระบวนการของเจ้าตันหาว่าตันหาและอวิชชาเนี่ยมันอาศัยกันซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งผู ก, กไว้ด้วยเครื่องผูกสุนัขอยู่ที่เสาแล้วก็มีเชือกผูกมา คือสายคล้องคอม้าว่างันเดินนะเอาคล้องคอเสร็จเรียบร้อยเชือกนี่แน่นด้วยนะคำว่านแน่นนี่คือเหนียวแน่นดึงไม่ขาดละ่ะแน่นที่ปมด้วยนะปมที่ผูกไว้นี่มันเอาเท้าเหยียดออกหรือแกะไม่ได้ง่ายๆละ่ะผูกไว้แน่นแต่หลวมๆเป็นว่าหลวมนี่หมายถึงไมใ่ให้มันรัดคอแน่นเกินไปแต่เชือกนี่ทั้งเหนียวทั้งแน่น ผมนี่แข็งแรงถูกผูกไว้กับเสาสุนัขตัวนี้มันจะเดินมันจะนั่งมันจะยืนมันจะนอนมันจะตายปราะสวะอุจจาระอะไรมันออกเขตไม่เกินเสานี้นี่เป็นอุปมาอุปฟังปริยบกับอุปไหมว่าไอ้ที่มันถูกผูกอยู่เนี่ยมันคือตัณหานี่แหละถูกผูกเอาไว้ไปไม่ได้แต่ลุ่มหลวมนะเพราะว่าถ้าผูกแน่นเกินไปนมันจะหา จูนย์กลางเจอในความยาวของเชือกที่มันจะไปถึงไหนถึงไหนได้เนี่ยนั่นแหละคืออวิชชาท่าังเราจะไม่ออกไปเกินความรู้ที่เรารู้หรอกเราก็รู้อยู่ในสิ่งที่เรารู้เลยแหละแล้วความรู้นะคํานี้นะทมาฟังตรองรัดกลุ่มนะเวลาใครพูดคํานี้ต้องให้เข้าใจให้ดีว่าเขาหมายถึงอะไรก็หมายถึงปริยัติหรือเปล่าหรือกาหมายถึงวิชา ถ้าเราไปเที่ยวสมยหาความรู้นะเส่นคุณก็ไปเรียนศาสตร์นี้ไปกับอาจารย์คนนั้นเรียนเศษศาสตร์บ้างรัฐศาสตร์บ้างชีวศาสตร์บ้างเรียนแพทยศาสตร์บ้างเรียนโอ้ที่ปาฐะเยอะแยะเนี่ยความรู้เนาะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกปะความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจากว่าเออไอสิ่งที่เรารู้เท่ากับลูกปิงปองเรียนความรู้เพิ่มขึ้นมันก็มาใหญ่เท่ากับลูกเทนนิส เรียนความรู้เพิ่มขึ้นบีมันก็ใหญ่เท่ากับลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เราจะพบว่าเส้นรอบหิวของลูกบาสเกตบอลมันใหญ่กว่าเส้นรอบหิวของลูกบิงปองนะไอจุดที่มันสัมผัสกันว่าเราไม่รู้สิ่งนี้มันเพิ่มขึ้นนะ ทำไมมันย้อนแย้งว่าเอ๊ะเราเรียนความรู้อะไรแล้วเอ๊ะทำไมเราก็รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมากยิ่งขึ้นไนสรุปว่าคุณรู้หรอคุณไม่รู้ก็ได้เนี่นี่แต่ฟังว่าความรู้ทั่วทั่วไปความรู้ทั่วๆวไปที่เป็นปริยัตเป็นาศาสตร์เป็นอะไรเหล่านั้นไม่ได้จะให้เกิดวิชาความรู้ทั่วๆไปเหล่านั้นก็เป็นเรื่องทางโลกบ้างเป็นเรื่องปริยัตบ้าง คนเรียนปริญญาตรแล้วถ้ามันการันตีได้ว่ามันจะเกิดวิชาทุกคนไั้คนที่จําพระไตรปิฎกได้หมดนี่ก็เป็นพระอาหารกันหมดดิมันไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่จําพระไตรปิฎกได้หมดแต่ก็ยังถูกเรียกว่าเป็นพระไบลานเปล่าอยู่อย่างงี้แล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ความรู้ที่เราไปเรียนเหล่านั้นมันจะไม่ดีนะอย่าไปเข้าใจผิดนะ คือจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันไม่สุดโตง่งทางไหนก็มักจะเอาทางหนึ่งไม่ยึดถือจุดใดมันก็จะเอายึดถือจุดหนึ่งเขาบอกว่าอย่างงี้ไม่ใช่ไม่เหมือนก็จะปฏิเสธไปเลยไม่ใช่นะแต่นี่เรากําลังแยกแยะติบูฟังแยกแยะให้เข้าใจว่าไอ้ความรู้ที่เราไปเรียนไปศึกษานี่มันเป็นวิชาไหมมันเป็นคนละอย่างเพราะว่าถ้าเรียนมากๆเป็นปริญญาตรแล้ว คุณจะการันตีถึงความสําเร็จมันก็ดีเยี่ยดีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทํำยังไงทีนี้แทนที่เราจะเรียนไปข้างนอกต้อมาฟังเราเรียนก็ามากาขนาดไหนเราฝึกปฏิบัติเข้ามากขนาดไหนไม่ได้ไปสแสรงหาภายนอกสุนักถูกผูกอยู่มันก็จะดึงจะดึงจะดึงไม่คุณสุนักคุณอยากเข้าใจผิดจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้คุณกัดตรงเชือกนี่กัดตรงเชือกให้มันขาด เราจะออกไปได้แต่มันปูไ้หลุมหลวงไงมันก็เลยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้เชือมันอยู่ตรงไหนแต่หาอาวิชามันทำงานด้วยกันตอเชื่อมสิ่งต่างๆเพลินไปนี่ของเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราบังไว้ด้วยบังไว้ไม่ให้เห็นว่ารอยต่ออยู่ตรงไหนพระบรุตรชาชนจึงมาบอกมาจีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ไอ้รยต่อเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเข้าไปยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดยความเป็นตัวตนรายต่อที่อยู่ตรงนี้เราจะเห็นได้ไม่ใช่แค่ว่าอ่านไม่ใช่แค่ว่าฟังแต่ต้องตั้งสติขึ้นดั้งสติขึ้นมันจะเป็นการแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากกันจิตของเราจะถูกแยกออกจากความเพลินทําไมแยกได้ไงเอาก็ตั้งสติว่ามันไม่เพลินไง มันไม่เผลไปตามเสียงตามภาพร้อยเปอร์เซตวิญญาณก็จะถูกแยกออกล่ะอ๋อมีการรับรู้อ๋อสติอยู่งี้มันก็ละอย่างกันสติก็อันหนึ่งคือการปราเกืู่วิญญาณคือการรู้แจ้งก็อันหนึ่งก็รับรู้ธรรมดามันก็มีอยู่แล้วของมันสิ่ที่เรามันจะเผลินไปตามเสียงผ่านทางหูวิญญาณเข้าไปทําหน้าที่นั้นเบาบางลงพระสติเราตั้งขึ้นเราจึงจะเริ่มการแยกแยะได้ กระบวนการการแยกแยะคือวิปัสสนาฝังแล้วบอกว่าถ้าเราพัฒนาทำให้มากแล้วเนี่ยปัญญาเราจะเจริญปัญญาที่เจริญเพิ่มเติมมีขึ้นแล้วนี่จะละอวิชาคือความไม่รู้ได้จะทำวิชาคือความรู้ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะให้มีวิชาเพื่อละอวิชาเราต้องมีปัญญา จะให้มีปัญญาคุณต้องรู้จักแยกแยะคือการทำวิปาาัสสนาวิปัสสนานะแยกแยะด้วยนะแล้วก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยนะสตินี่มันช่วยแยกแยะแล้วสติแยกแยะแล้วต้องมีความเข้าใจคือวิปัสสนาให้มันเห็นจริงตามนั้นด้วยไหวไรกระบนการที่ท่านพูดถึงวิปัสสนานั้นเป็นความจริงอันบริสิก็เรียกว่าเป็นสัจจ ซึ่งความจริงอันประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันไม่เหมือนกันครับความจริงอันประเสริฐต่างกันตรงไหนข้อเท็จจริงคือความรู้ทั่วไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เช่นทางฟิสิกส์เช่นทางเคมีพวกนี้เป็นข้อเท็จจริงว่ า, าถ้าวัตถุนี้คุณปล่อยลงตรงนี้มันก็จะถูก ด, ดูดด้วยความแรงอันนี้เป็นแรงโน้มถ่วงอย่างนี้เรื่องเป็นกฎ ของธรรมชาติใช่ไหมที่เรียกว่าเป็นฟิสิกส์ไอ้ตรงนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะคราประจาต้องการแยกแยะให้ท่านฟังเข้าใจตรงนี้ด้วยคนที่จะเจริญวิปัสนาไม่มันต้องรู้จักแยกแยะหลายคำศัพท์แล้วทตเนียำหนดบทเพียนชนะให้ดีข้อเท็จจริงเช่นคนนี้เขาโกหกความจริงเป็นอย่างนี้ข่าวลวงเป็นอย่างนี้นี่เป็นเฟกนิวส์ นี่เป็นการปลุกปั่นกระแสความจริงเป็นอย่างนี้ไอความจริงทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นโง่เนี่ยมันคือข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยตามสถานการณ์นะบางทีคนเขากหลอกกันได้พอเขาแฉความจริงขึ้นมาไอความจริงนั้นบางทีมันด้วยเหตุอย่างนี้เอ้ามันก็ยอมกันได้อีกไอที่ว่าโกรธกันมันก็เลยกลายเป็นไม่โกรธกันไอที่ว่าดีกันมันก็กลายเป็นโกรธกันได้ อันนี้คือไปตามข้อเท็จจริงคือแฟกต์แต่แฟกต์ fact ข้อเท็จจริงนี่มันก็ยังไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงสัจจะอันนี้จะใช้ภาษาอังกฤษกือ truth truth คือความจริงความจริงที่ว่าประเสริฐด้วยนะอริยสัจไงความจริงอันประเสริฐในลักษณะที่ว่าแม้ข้อเท็จจริงอันนี้ ยังกฎของฟิสิกส์นี่คือกบชาชอบเรียนวิชานีทุกวังชอบทำความเข้าใจเรื่องควันตั้มเรื่องดาราศาสตร์เรื่องต่างๆก็พูดถึงกฎของธรรมชาติกฎแรงดึงดูดเงี้ยซิกมาเท่ากั ma, บ MA กฎขอ ง, องนิวตันี้ใช้อธิบายปรากฏการณ์อะไรต่างๆได้แต่กฎเกณฑ์อันนี้ที่ว่าเป็นข้อทดดี่จริงเป็นความจริงๆเลยเนี่ยออพอมีหลักฐานย่างอื่นขึ้นมาไอ้อันนี้ดันล้มเลิกไปเลย ไปเป็นไม่ถูกไปไม่จริงไปโอ้ความจริงมันก็เปลี่ยนแปลงได้นี่ถ้าความจริงเปลี่ยนแปลงได้แบบนี้มันจะไปเรียกความจริงได้ไงมันไม่ถูกไงเราจึงไม่เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความจริงเราเรียกมันเป็นข้อเท็จจริงผู้เป็นสไตงง fact เนี่ย f a c t อย่างที่ว่าแต่ถ้าความจริงจริงๆเลยนะความจริงแบบจริงๆริะผู้ภาษนสไตเนี่ยคือ truth เนี่ คือความจริงอันประเสริฐมันก็ต้องจริงอยู่ตอลอดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมันต้องจริงอยู่ตอลอดดิไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงคุณค้นพบหลักฐานใหมา ย, ยังไงคนไทยมาจากเขาอันไตจริงรป่าวหรือมนุษย์มาจากลิงใช่หรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันอยู่ที่ข้อที่จริงแล้วก็จะไปหากันมาใช่ไหะแต่ละข้อที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไปนี้มันไม่ใช่ความจริงแร้ว truth ความจริงคืออะไรความจริงจริงๆเลยเนี่ย เห็นด้วยปัญญาจริงๆให้เห็นความจริงจริงๆขอกมาเลยคือมันเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ว่าจะข่าวปลอมหรือข่าวจริงก็ไม่เที่ยงต้องอาศัยเงินไขปัจจัยอันใดอันหนึ่งจึงจะเกิดขึ้นมาได้นั่นก็คือสถาน ก, การณ์บังอะไรบ้างก็อาศัยเงินไขปัจจัยจึงมีขึ้นมาจะเป็นกฎ ของนิวตันกฎของไอน์สไตน์จะเป็นกระบวนการทางชีวเคมีมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยคุณ ม, มีหลักฐานอะไรคุณก็ว่ากันไปมีเหตุนี้มันก็จึงเกิดผลนี้เป็นเหตุเป็นผลกันมาเป็นเงื่อนไขปัจจัยเกินมาสิ่งใดที่อาศัยเหตุแล้วจึงเกิดผลอาศัยเงื่อนไขปัจจัยจึงมีขึ้นดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้นั้นทั้งหมดนั้นนะ มันไม่เทียงมีความขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเป็นธรรมดาไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองความที่มันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันนั้นนะ่ะเราเรียกว่าอนัตตาเป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นใหม่สรรมบัณฑ์อนัตตานี่นะไม่มีปรากฏใช้มาก่อนคือมีอยู่แต่ว่าเขาใช้ความหมายไม่ถูกใช้ความหมายถึงแต่ความเป็นตัวตน ถึงแต่ความเป็นของฉันแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะมันไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาเพราะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยสิ่งเื่นต่างๆที่มาประกอบกันเวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วจะให้มันมาเที่ยงมั่นคงอยู่อย่างเดิมถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่ได้ มันจะมีความผิดพลาดถ้าเราจะอาศัยสูตรสมการนี้คำนวณเหตุการณ์อย่างนั้นให้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเอาคนมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณจะให้มันเหมือนเดิมมันไม่ได้เลยไงมันไม่เที่ยงไงอาจจะพูดก็พูดนี่คือจะให้มันมาเป็นปกติเหมือนเดิมเมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะไปได้ยังไงอ่ะก็เหตุเปลี่ยนผลมันก็ต้องเปลี่ยนใช่เปล่าถ้าเหตุเปลี่ยนแล้วจะให้ผลเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ไง ในความทมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นอนิจจงคือไม่เที่ยงไม่คงตัวไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปแล้วโรคเปลี่ยนแปลงทุกวันเปลี่ยนแปลง ท, ท, ท, ทุกวินาทีสิ่งใดที่มันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันทนที่จะไม่เปลี่ยนตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยทนได้ยากความทนได้ยากนี่ก็เรียกว่ า, วาทุก ทุกแปลว่าทนได้ยากที่ท้งทนได้ยากยากหน่อยก็รูกัเวทนาที่ทนได้ง่ากง่ายหน่อยก็สุขเวทนาเวทนาก็เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเพราะมันจะให้มันอยู่เหมือนเดิมโดยความเป็นสุขถ้าเงินไขายปัจจัยเปลีป่ยนแปลงมันไม่ได้แตามีผานสานเป็นที่แห่งความทุกเกิดขึ้นความทุกมันก็จะเกิดทุกมันก็ต้องเกิดขึ้นสุขมันก็ต้องดับไปจใจมันเหมือนเดิมมันไม่ได้ นึกเรียกว่าทุกตัวทุกเองมันจะไม่เปลี่ยมก็ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนเป็นสุขได้หนึ่งก็เรียกว่าทุกเหมือนกันเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่เบื่อเงื่อนไขปอร์เซ็นเปลีป่ยนแปลงไปอันนี้จังทุกขังอนัตตา3อย่างเนี้หัวข้อเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่มันช่วยแก้เรื่องอัตตาความที่เราเข้าใจว่ากายของเราเป็นตัวเรา ความทีม่เราเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของเราอารมณ์นั้นเป็นตัวเราหรือสิ่งต่างๆนี้มันของเราของเราคําพูดปรากฏออกมาเลยฉันง่ว ง, งก็คิดว่าความง่วงเป็นตัวเรามีอยู่ในเราฉันฟุ้งซ่านก็คิดว่าความฟุ้งซ่านมีในเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันนิสัยอย่างนี้ก็คิดว่า น, นิสัยนั้นเป็นของเราฉันมีอารมณ์แบบนี้ก็อารมณ์นของเรา ไอ้ถราคิว่าเราเป็นของเราของเราเนี่ยนะทุกังนะมันเลยทําให้เราสะดุ้งไอ้กระบวนการที่เจ้าตันหาอวิชามันช่วยกันทำนี่มันเนียนไหลมาเป็นกระแสเลยนะที่ว่าต้องแยกแยกเพราะว่าอย่างกระแสน้ํากระแสไฟมันพัดกันมาพัดกันมานี่เราดูมันเหมือนนิ่งๆไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ไม่ใช่มันแยกออกจากกันมามาต่อกันมันจึงเป็นสาย เป็นสายต่อต่อกันแล้วมันจึงดูเป็นกระแสเราก็เลยดูว่ามันเป็นตัวเหมือนกันไปกันหมดตลอดแต่ว่าที่มันต่อเนื่องเหมือนกันไปตลอดเนี่ยมันเป็นกระแสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแยกจากกันเป็นจุดเป็นจุดเป็นข้อเป็นข้อกระแสไฟมันไม่ใช่มาเป็นสายอย่างงี้นะมันก็มาเป็นทีละอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนน้ำเนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นแม่น้ํามาเยอะๆนะ มันก็เป็นหยดเป็นหยดอ่ะ เ, เป็นมรกุลของ H2O แต่มันดูเหมือนต่อเนื่องกันมาตัวเราเนี่น้ํากันมาตัวเราเนี่ยตัวเราที่ว่าอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวคนเดิมเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำนะเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาอ๋อแล้วเราตายหรือเราเยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นกระแสดันกันมานะบ่า ให้เราเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกกันไปเข้าใจว่าเป็นอัตตาขึ้นมามันยังไงอย่างเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเราฟังยังไม่รู้เรื่องสาอะไรก็ตามเถอะยังมีอาสวะมีกินเลนต่างๆสั่งสมมาเนี่ยเพราะมีผัสสะใช่ไหมผัสสะในที่นี้ถ้าเราฟังไปฟังในซีรีส์เรื่องของปฏิจจสมุปาทจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างดีหรือฟังในซีรีส์เรื่องของความฉลาดในอิยตนะิ ṇ ะช่วงของใต้ร่มปฏิบดก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างดี เอา ง, ง่ายๆคือว่าเสียงมากระทบหูนั่นคือภาษาแล้วมีการรับรู้เกิดขึ้นมันก็ถ้าพอใจยินดีในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจในสิ่งนั้นนั่นแนหะคือความยึดถือทันทีเลยยึดถือแล้วมันก็จึงยึดถือว่าเฮ้ยอันนี้ตัวเราแล้วเนี่ยดูอย่างง่ายๆว่าทำบุฟังทํางานเดินทางฉันอยากจะ ออก้ไปยังไงฉันก็เดินได้ขาซ้ายขาขวาออกไปฉันจะหยิบยังไงฉันก็ยืดแขนยกแขนเหยียดแขนได้หยิบย่างยอ่อพวกเนี้ยเราสั่งการได้หมดถูกป่ะก็ดีร่างกายของเราใช่ไหมละ่ะไอที่เราสั่งการได้ขยับไปได้นี่เพราะด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยคือความเป็นอนัตตาของร่างกายมันมีปัจจัยมาเป็นงนี้อะไรที่มันมีปัจจัยเงื่อนไขนะตะกี้พูดแล้วนะว่ามันคืออนัตตาหมดจบปะละ่ะ เงื่อนไขปัจจัยมันคืออนัตตาไม่รู้เป็นตัวของมันเองใช่ป่ะละ่ะแต่ในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นน่ะแล้วพอเราเกิดความพอใจว่าไอ้ที่เราหยิบมาในแหม่มันดีจังเลยไอ้ที่เราคิดไปนั่นมันดีจังเลยฉันได้กินสิ่งนี้ฉันได้เห็นสิ่งนี้พอใจจังเลยความเบืน่นความพอใจอันใดที่เกิดขึ้นอาศัยสิ่งที่เป็นอนัตตาอันใดก็ตามไม่ว่าจะรูปเสียง แต่คนนั้นคนนี้จะความสามารถอะไรก็ตามเป็นอนัตตานะแล้วพอคุณเกิดมีความเพลินความพอใจขึ้นความพอใจนั้นแหะคือความเพลินความเพลินนั้นน่ะคืออุปาทานคือความยึดถือแล้วไงมันก็จะไปยึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นแหะว่าเป็นตัวตนไงจะไปยึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นนหะว่าเป็นอัตตาไงมันทุกได้เห็นไหทุกฝั่ง ก็มันท่องๆอยู่ว่ามันเป็นอนัตตาแล้วยังจะไปเห็นว่ามันเป็นอัตตาอีกอะจะไม่เรียกว่างโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรซื่อบื่อแหละเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าทั้งๆทงี่มันเป็นอนัตตาแล้วว่ามันเป็นอัตาน่นะก็เพลินพอใจไงลืมไปเผลอไปเพลินไปเนียนเนียนนุ่มนุ่มแสกมากแต่ยังเนียนเนียนุ่มนุ่มได้ เป็นจุดๆแต่ว่ามาต่อเป็นกระแสได้ดับไปดับไปแต่ไม่เห็นได้ไอ้ที่มันไม่เห็นเนี่ยมันบังอยู่ด้วยอวิชชาไงอวิชชามันทำให้แบบคือมันแสกหน้าเราเลยแต่เราก็ยังไม่เห็นมันอยู่ดีเนี่ยมันมันมันร้ายกาศไหมาำว่ังเอาวิชานี่มันร้ายกาดมากว่าเนียนเนียนนุ่มๆแสกหน้าเราแจ่มแจ้งชัดเจนแต่ก็ไม่เห็นว่า สิ่งที่เป็นอนัตตานั่นแหะที่เราอาศัยเห็นยื่นขปัจจัยขยับไปเดินไปได้มาอะไรต่างๆแล้วเพลินพอใจความเพลินความพอใจนั้นย้ำอีกทีนึงนะคืออุปบาตฐานเพลินพอใจในอาหารนี้เพลินพอใจในกลิ่นนี้เพลินพอใจในคอนเซปต์นี้เพลินพอใจในพักนี้เพลินพอใจในเรื่องนี้เพลินพอใจในความคิดนี้ความเพลินความพอใจนั้นนหะก็จะคือความยึดถืออุปบาตฐานยึดถือว่าสิ่งนั้น ความคิดนั้นเรื่องนั้นของนี้จะเป็นนามก็ตามเป็นรูปก็ตามรับรู้ได้ทางใจก็ตามทางกายก็ตามเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีเป็นอัตตาขึ้นมาทันทีปั้นน้าเป็นตัวขึ้นมาทันทีเป็นความเป็นสภาวะทันทีในสิ่งที่มันไม่ได้จะเป็นอะไรเลยก็ตามเมื่อนลาปัจจัยของมันนะั่นะทันที เป็นอัตตาขึ้นมาทันทีในสิ่งที่เป็นอนัตตานัน้นั่นแหละเราจึงต้องเห็นด้วยปัญญาไงนะานผู้ฟังวิปัสสนาไงวิคือแจ่มแจ้งแตกต่างเห็นคนละมุมทวนกระแสปัศนาคือการเห็นอย่างรู้ด้วยปัญญาท่านจึงบอกไว้อย่างนี้ผู้ฟังบอกว่าวิปัสสนาภาวิตา ปัญญาภาวิติปัญญาภาวิตายาอวิชชาสาปะิยติติวิปัสนาเมื่ออบรมแล้วจเจริญแล้วปัญญาจ ะ, จะเจริญปัญญาเมื่อจเจริญแล้วจะละอวิชชาได้เราเห็นตามความจริงอย่างนี้ตบุฟังปัญญาเราจะเกิด เห็นตามความจริงการเกิดขึ้นของความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่ามล aise ความเพลินความพอใจเราแยกเนยออกเนี่เห็นตามจริงนะเห็นอย่างนี้ที่อธิบายมาเนี่ยคือการเห็นตามความจริงอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเจริญขึ้นจะได้ประโยชน์อะไรปัญญาปัญญาภาวิยติปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเราเจริญขึ้นภาวิตาแล้ว จะเกิดอะไรจะได้ประโยชน์อะไรปัญญามาประกอบกับจิตของเราตูฟังอวิชชาที่อยู่ในจิตนั้นจะระงับไปจะดับไปอวิชชาจะอยู่ไม่ได้เพราะวิปัสสนาคือปัญญานั้นเป็นเหมือนกับแสงสว่างคือเป็นวิชาปัญญาวิชาปัญญาแสงสว่างปัญญาดวงตา ปัญญาจเจริญแล้วคือภาวนาแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดแล้วอวิชาต้องดับไปเราจะละอวิชาได้ทุกฝังการเห็นตามความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวนันก็ได้บางคนหลับตาก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้าแต่บางคนลืมตาเดินไปนั่นนี่เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆได้ ว่าอ๋อมันเป็นอนัตตาเนี่เป็นเงื่อนไขปัจจัยนะเนี่ยเป็นเพียงาธาตุเสยนะเนี่ยเป็นแค่เพียงเสียงนะเนี่ยเป็นแค่เพียงอเยตนะนะเนี่ยเห็นตามความจริงเห็นตามความจริงแยกแยะออกแยกแยะออกดูฝังเราจะสามารถทําความพ้นทุกข์อยู่เหนือจากสุขทุกข์ต่างๆในสังสารวัฏนี้ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดพ้นจากความทุกข์ดานนั่นเอง ในช่วงของจิตวิเวกในรายการธรรมระบรุณจัดโดยมูนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไปบูณหาพิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเว็บไซต์ของมูนิธิี่ปัญญา o r ท P-A-N-Y-A.org ี org, a N y หรือติดตามรับฟังในระบบพอดแ c a s t หรือว่าทาง YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage ได้แล้วโพวกันมาในวันปรุ่งนี้จเจริญมป่อน